น้อยสงหญิงอ่ะไอหนูที่หมายจา ก, กินอ่ะมันนั่งใกล้ๆ ก, ก, กันก็ดีเ <laughs> พื่อจะต่บ้างเล็กๆต้น้อย <laughs> เล็กๆต้น้อยไปช่วยกันบ้าง <c oughs> นั่งใกล้กๆกัน เ้วก็พยายามถามล้อลงตาล้องตาก็พูดไม่ได้มีแต่ภาษาใบ้ๆก็เขียนภาษาอังกฤษว่าอ่านให้ฟังว่าลำข้อของเขียนก็ใช่นี่แหละลำข้อคำเขียนไปพูดคำสองคำสามคำ อยู่กะตีลังไหนก็ชีอบอกอยู่กี่คนวันวันไปว่าหนึ่งคนอ่้สติกสติปิกอิงกิดโนสติปิกอิงกิดโนสติปิกกิน นี่แต่พูดภาษาไทยได้แล้วก็โนติ๊กไทย ไ, ได้โนคืออะไรไม่ได้รู้สึกตัวไหมหนึ 1, 000, ่งวันรู้ไหมโน no. ชั่วโมงหนึ่งรู้ไหมโนเอาเว้ no. okay. ควรหัดพูดภาษาอังกฤษจะอยู่สารลัสองปีก็ไม่ได้เอามันเสียเวลาเรามันไม่สมควรจะมาเรียนภาษาอังกฤษแบบไี่หรอกมาเอาภาษามาว่าภาษาใบใบของเราเนี่ยสอนไปเลยบางทีไม่ใช่กับพูดเอามือไปเคาะเราะไอลมันน ะ, นะ ให้มันรู้พอวีความพูดหน่อยนึน่งเอาแวเอาแวนรูรู้สึกรูกสก้สึกสิบสี่ครั้งมันก็เย็ดเย็ดเย็ดเย็ดแล้วอะไรใช่โชคแล้วโชคแล้วมันก็ได้นะภาษาใบนี่ะอ่เราภาษาใบสอน มนุษย์สอนสัตว์ได้สอนช่างสอนหัวสอนขวายได้เรามาสอนตัวเราไม่มีภาษาพูดมีแต่ภาษาที่สมคาถาสมล้นเป็นยังไงสมหนาเป็นยังไงอธิบายไม่ได้ ความโกรธเป็นไงความโลภเป็นไงความหลงเป็นไงอธิบายไม่ได้นรกคือลายสวรรค์คออือลายบนคืออลายอธิบายไม่ได้เมื่อจานฮิโกอินเซน ญ, ญี่ปุ่นในทหารสมุลรไย ทหารฝันดาบในสงครามท่าคนในสงครามตายนักฝันดาบมาถามอาจารย์อาจารย์ครับมีสวรรค์มีจริงไหมลูกมีจริงไหมอาจารย์ก็เอาขี่หน้าเลยโอ้โงโ่หรือทหารเนี่ยทำอะไรด้วยหรือมีดาบด้วยหรอเอา น่าจะงูเริ่นชมุิไลนักขันดาบด้วยสหารสมุิไยก็โกรธคนเคยฆ่าคนเอาความโกรธออกหน้าออกตาแสดงออกทันทีสักตาออกมาจะฟันอาจารย์เขาอาจารย์ก็ร้องขึ้นว่าโอ้ ประตูนรกเปิดแล้วประตูนรกเปิดแล้วทหารชามูไรก็ได้ยินโอ้วางใจลงเอาดาบเข้าปักในฝันแล้วโอ้ประตูสวรรค์เปิดแล้วประตูสวรรค์เปิดแล้วนักฝันดาบคนนั้น รู้จักว่านาลกเคยอะไรสวรรค์เคยอะไรกาบลาอาจารย์ไปด้วยความพอใจอลูกเิษโงูไปเรียนเช่นกันถามร้อมโกรธเป็นไงอาจารย์อาจารย์ก็ไม่เท่าตีหัวหรอือทำไมเท่าทีหัวสิทธิ์งู เสกง โ, โกรดทนทีเสโงโกรดทันทีอาจารย์ก็ที่เลื่อจาจเสกงโกรดก็รู้โอ้ขวามโกรดเป็นรแช่ตอย่างนี้มันอธิบายไม่ได้ต้องสัมผัสเรามาศึกษาเนี่ย ไม่ ใ, ใช่จะมีแต่คำถามสัมผัสโดยเฉพาะการสอนกรรมาฐานเนี่ยต้องเป็นการสัมผัสควมรู้สึกตัวเป็นไงอธิบายได้ความรู้สึกระลึกได้ควมรู้สึกความระลึกได้รู้สึกตอนไหนตอนพูดตอนทมตอนคิด เราลึกได้ตอนไหนขณะที่พูดที่ทําที่คิดอยู่วันที่วายมันไม่เข้าใจก็เลยมามีกรรมฐานเกิดขึ้นให้มีการกระทําลงไปการกรรมฐานคือที่ตั้งของการกระทําตั้งไวมีกายเอาสติมาตั้งไวให้รู้เจตนาที่จะรู้ก็หย่อนรู้ มันก็มีรู้จริงๆเป็นปัจจุจจจบันจริงๆเป็นปัจจุบันจริงๆสัมผัสได้จริงๆระหว่างความรู้สึกตัวขะที่มันเคลื่อนไหวอยู่ก็เลือกได้อยู่รู้สึกตัวอยู่ไม่จะโชกไม่จะทุกข์รู้สึกตัวอยู่ทั้งสองอย่างไม่ต้องมีคำถาม เห็นกายมีอยู่จริงกายเห็นอยู่จะให้มันมากุจอ ก, กระจายดูเรื่องเดี๋ยวก่อนดูกายก่อนให้เห็นกายเห็นกายมันก็เห็นอะไรอีกที่อยู่ในกายบางที่เห็นกายเป็นตัวเป็นตนในกายกายมัแสดงออก มันมีอาการเกิดกับกายมีหลายอยา่างมันแสดงออกความไม่เที่ยงก็มีในกายความเป็นทุกข์ก็มีในกายมันจะทำให้หลงก็ได้จาให้เป็นสุขเป็นทุกข์ได้เพราะกายนี่้็เห็นมันไม่ให้มันไปอย่างอื่นให้เห็นเป็นกายเฉยๆถ้าอะไรที่เกิดกับกาย ไม่ออกมาเป็นตัวเป็นตนจนเห็นกายจักแต่ว่ากายไม่ใช่ตัวใช่อตนกายในกายกายเมื่อเกิดซ่อนกันเกิดกายทำดาไม่มีโทษไม่มีภัเพ็ดประโยชน์กายมันเป็นธรรมชาติเป็นนาการยุ่งกัดมันก็เจียบ แดดออกก็รอ้อนนั่งนานก็ปวดหัว ย, ยืนเดินนั่งงอนนานก็ไม่ไหวมันเป็นกายธรรมดาสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นอาการที่เป็นเป็นสัญญาณของกายที่มันบอกอันตรายของเผาให้เขาช่วยเขากายมันรู้จักช่วยกันช่วยตัวของกายเองไม่มีใครไม่รู้บ้าก็รู้ ขนาดคนบ้าเนี่ยหลวงตาพาคนบ้าไปรักษาที่โรงพยาบาลจิตเภทขอขนแก่นเป็นเป็นพี่ชายคนเนี่ยไอ้หลายเนี่ยใช่ไหมรู้จักไหมใครรู้จักบุญหลายนไหม <laughs> <laughs> คนวัาป่าสุกโตไม่รู้บุญหลายก็เยียบ <laughs> พี่ชายไอ้นี่อ่ เป็นบ้ามาอยู่วัดเหมือนกันกันกบคนนี้เราเราก็พยายามจะช่วยเหลือสุดสวงมสามารถลองดูเพระเราเคยรักษาคนบ้ามามากใช่ไหมเป็นโยมโนดใครเปนบ้าเราพยายามช่วยรักษาหายก็มีไม่หายก็มเราดูเราก็อยากลองคนนดูเออไอ้ออออหมาย ไอ้หมายพี่ชายไอ้นี่เดี๋ยวนี้ไปอยู่เช้งข้ อ, อนอนท์ไม่อยู่นี่แล้วสักหน่อยไอ้นี่ก็จะไปละม อ, อยู่นี่มันจเจริญถึงที่สุดบ้าที่สุดก็ไปละแต่ก่อนไอ้หมายมันก็เป็นบ้าที่สุดมันก็พอที่จะเยือออกให้ช่างมานทำการ ต้นตาก็สมัยก่อนเขควบคุมให้ทำงานทำการไม่ให้หมายอยู่ขอเข้าจินอย่างเดียวแล้วพ า, าไปจิตเวทก็ไปบอกหมอเอารถพาไปต่อไปก็หมอจะที่จะนอนหลับให้มันหมอก็เริ่มต้นด้วยให้อย่านอนหลับ หลงตาก็พาเข้าไปในห้องต่อขึ้นเตียงหมอจะขี้จาให้ผมกระโดดลงนี้เลยแล้วก็กลัวตาวิ่งลงออกกับห้องไปเยืนอยู่สนามย่าขี้หน้าหมอขี้หน้าหลงตาโท้โถจะล่อมาให้คนมาฆ่าเราหรือถ้ารู้ไม่ทันเรตายแน่อนอนกลเหมันจะฆ่าเรา มันจับอะไรมันจะทำลายเรามันก็วิ่งหนีไปไปขี้หน้าหลองตาก็ออกไปไปมันก็ขี้หน้าหลองตาหลอกให้เขามาฆ่าเลยเนี่ยไม่ได้ถ้าเราไม่ฉลาดไม่รูกต้องตายแน่นอนมัน <c oughs> กลัวตายท่า <c oughs> ก็เลยบอกว่าถามหมอว่าเอาอยัางไงดี เราตำรวจมาจับนัดมือมันเอามาขีดยาแล้วก็ไม่มีใครไปด้วยมีไปกับคนขบับรถถ้าถ้ามันโกดเราขนาดนี้เราอาจจะฆ่าเราได้มันก็ใหญ่มันกันนะถ้าถ้ า, ถางั้นยาเนี่ยเอาไปขีดที่บ้านได้ไหมได้มีอนามัยไหมมี ก็เลยว่าจะมาขี่ที่วันที่บ้านก็เลยไปหลอกมันเฮ้ยเขาจะข้าหัวมึงอ่ะรู้ไหมรู้ทาไมไม่รู้รีบมาขึ้นรถเดี๋ยวนี้เร็วเร็วเร็วมาขึ้นรถเลยมันจะตกไปไหนปิดให้มันนั่งข้างหลังแต่ก่อนรถคันเขาเนี่ยที่เราแช่อยู่เนี่ยก็มีหลังคามันปิด ดีๆนะอย่าให้ใครเห็นนอนลงบอกว่ามันนอนนู่โด น, นกลัวจ่อยนแล้วก็ขับรถพามาวัดสุกโตพอมาถึงสุกโตก็พาไปอนามัยอยาบให้หมอฉีดอัล่าจะฉีดอีกล่ะก็วิ่งลงหนีมาดา่าล้งตายวิ่งออกมาที่หน้าอนามัยนั่นเป็นท่ารถใช่ไหม คนโดยสารกำลังอยู่แถวนั้นใครมีนายหน่วยกำลังจะอยู่ในเชิวช่าออกฉันมันอนตาบอกว่าจับคนนั้นให้ด้วยแล้วก็กอดมันกอดดิน้นก็บอกคนทั้งหลายมามหามขาหา ม, หา ม, ขาหามแขนมัดมืเอเข้าไปนอนลองที่เตียงงัดมือมัน มันก็ยังร้องเลยโอ้ยอพ่อเอ้ยแม่เอ้ยเขาจะฆ่าใครแล้วมาซ่ อ, อยขนาดนี้โถึงแม่ถงมอถึงแม่เลยมันยังร้องมันกลัวตายมันบ้าเลย น, นี่กายมันกลัวตายมันก็ร้อนมันก็ช่วยได้หนาวมันก็ช่วยหิวมันก็ช่วยจิต น, นอนมากมันก็รู้จักลุกเดินมากก็รู้จักนั่งกายมันพอได้อยู่ เห็นกายอย่าเอากายมาเป็นตัวเป็นตนซ่อนเข้าไปอันนี้ก็อธิบายไปหาส่วนประกอบเฉยๆดกแต่ว่าการเจริญสตินี้มันก็เห็นอย่างนี้แหละอย่าไปนั่งเดินนะเห็นกายอันที่มันเกิดสวดในกายนั่นสำคัญเอามาเป็นตัวเป็นตนออกมาเป็นสุขเป็นทุกข์สมัยสุขทุกข์ประกอมา เห็นกาสวกา ย, กากายเรื่องนี้พระพุทธเจ้าพระศิท ธ, ธะได้กุยทางไว้ได้เห็นเรื่องนี้กันนั่งอยู่คนเดียวจนกายมันคิดอะไรมันเกิดอะไรขึ้นมาเห็นทุกแง่ทุกมุมมีสติรู้เท่ารู้ทันมันเวลาอะไรเกิดกักว่าไปแล้วผ่านแล้กายสัมวรกายให้เชื่อชัดบุคคลตัวตนเราเขา มันก็เห็นสุขเห็นทุกข์ที่มันเกิดขึ้นได้บางทีเอาร้อมาเป็นสุขไม่ทุกข์ไปไหวลุงตาฝึกพื้นใหม่ๆโดนแสงแดดเนี่ยโอ้ยจากไปนอนิงมันก็จําเป็นมาเห็นความร้อนนะใช่ได้ดางโอกาสคนที่เป็นไข้าขาดอากาศจากเนี้ยนอนอยู่โรงพยาบาลห้องแอรมาเป็นตี ออกมาุ mà, ูกตัวมาเห็นแสงแดดเดินไม่ไหวให้จานนกหิ้วปีกไปเป้นนอนตากแดดโอ้ยมันจำเป็นมอนกันแสง แ, แดดในบางข้าวหว่งขขากา้กามันก็ต้องการแสงแดดกายมันต้องการลมเงาเวลามันหนาวที่มันไหนมันก็คิดเห็น แสงแดดที่เห็นกองไฟเวลามันร้อนก็ที่เห็นน้ำมันก็ช่วยอันนี้เป็นกายธรรมดาอย่าเอาสุขเอาทุกข์เรื่องนี้เห็นแล้วเห็นอีกเห็นทีทีพรามันตั้งใจดูเรื่องเดียวมีสติอยู่เรื่องเดียวเห็นเป็นสุขเป็นทุกข์หรือว่าเวทนานั้นก็เป็นจักแต่ว่าไม่ใช่ตัวตน บางที่เอาเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์ว่าเราสุขเราทุกข์ไม่ใช่เลยเห็นอย่างเนี้ยโย่เห็นเวทนาแล้วก็แยกไปเนี่ยเห็นคิดเอามันคิดนี่ความคิดเนี่ยทุกชีวิตต้องคิดหลงไปในความคิดมีมากกว่าหลงที่จะมีมีมากกว่าลูา ก, กที่กำหนดโลกมันมากที่สุดเลยเพราะอย่าปไปยุ่งกับมันใหม่ๆเนี่ย ไม่ลูกกายไปก่อนตั้งไว้ก่อนจะมีเหตุมีผลยังไงตั้งไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปเอาสมองหาความผิดความถูกจากการกระทาการกระทาบุกเบิกไปเชเบไปนั้นเราเว็อาขีบชาวไร่ชาวนาต้นก้าหนอก้าเล็กๆกมา ปลูกมฝังลงก่อนว่าจะได้ออกตอนก้ามาปลูกลงในดินที่เตรียมไว้พอแล้วอย่าไปคิดต่อไปว่าถ้าเป็นอาชีพอย่าไปคิดว่าจะได้จะทำกำไรจะขาดทนุนอย่าไปถึงโ น, น้นมันเปืองสมองทําให้มันดีปลูกลงไปก่อนฝังลงไปก่อนจะปลูกอะไรก็ตามให้ปลูกลงไปก่อน ฝังลงไปก่อนเมื่อมันเป็นธรรมชาติเป็นกฎธรมธรมชาติธรรมชาติกฎธรรมชาติมันมีในทุกสิ่งทุกอย่างไหนดวงอาทิตย์มันก็มีก้อนเมฆมีก้อนเมฆเพื่อเกิดเมฆฝนเมฆลม เมื่อมีเมฆมันก็มีฝนตกเมื่อมีฝนตกมันก็ต้องมีพื้นดินเป็นวัตถุอาการที่มันเกี่ยวข้องกันมีต้นไม้มีอะไรต่างๆเรียกว่าวัตถุอาการกต่างๆเกิดขึ้นได้ในกายงั้วศอกยาวาหนาเคือบนี่มีจิตใจเนี่ยมันเกิดะลรได้มากมายเห็นจิตให้ไม่เห็นเฉยๆจิตมันคือคิดนั่นหละ ไม่ใช่เห็นเป็นหัวใจเท่ากับกำมือของไข่ของคนดันอยู่ข้างซ้ายมาือนอันนั้นมันเป็นหัวใจไม่ใช่จิตอันนั้นไม่ต้องเรียนรู้เหมือนกับการแพทย์เห็นจิตพอเห็นมันคิดนั่นแหละคือจิตไม่ใช่ไปเห็นหัวใจมันเต้นเหมือนทำแบบพุทธโธพุทธโธนี่ดูลมดูลมหัวใจเข้าออก ขี่เข้าไปขี่เข้าไปจนเห็นที่กําเนิดของหลงเข้าหลมออเหมือนกับหัวใจเหมือนส่วนประกอบของลังกาเหมือนกับลงสีเป็นสูบเป็นวาลเปิดปิดเปิดปิดเปิดปิ ด, ป ด, ปดอนนั่นก็เห็นเหมือนกันสมัยฝึกสมะแล้วก็เห็นไปจำนองนั่นอันนั่นไม่ใช่ไม่ต้องไปเห็นแบบนั่น กรรมฐ า, ามจริงๆนะ่ะเอามาทางนี้ เ, เห็นกิดที่มันคิดนั่นแหละความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจมีไหมคีน้อยความคิดที่ตั้งใจมีไหมความคิดที่แบบตั้งใจกับความคิดที่ไม่ตั้งใจอะไรมันขยันขวากันให้คิดให้สักหน่อยได้ไหมจะสร้างบ้านให้พิกษุณีมาอยู่ศุกสิบห้อง สองชัอนจะหมดปูนเท่าไหร่หมดเหล็กเท่าไหร่หมดเบื้องเท่าไหร่คิดได้ไหมคิดเกียจไหมไม่อยากคิดอ่ะทไมอยากคิดแต่ว่าอันที่ไม่ตั้งใจเนี่ยมันมีเหมือนกันใช่ไหมมันก็ไหลมาเองบางทีอดีต ท, ที่ผ่านไปเอามาคิด อนาคตที่ยังไม่มาเอามายคิดบางทียังไม่มีอะไรก็คิดขึ้นมาแล้วโชคบ่บงโชคแแปลงตัวนี้เป็นตัวคิดที่ไม่ได้ตั้งใจให้เห็นแล้วก็ไม่ควรจะตั้งใจคิดในเวลาทํากรรมฐานไปหาความผิดความถูกจากความคิดทางคำตอบจากความคิดไม่ถูกต้องเลยเอาการกระทำเอาหมายคิดขึ้นมาลู่ไหวลู่ไหวอย่าให้มันช้า ปฏิบัติตงเมื่อมันหลงตรงมาต่อความรู้เมื่อมันหลงตรงกลับมาเมื่อมันฉุกตรงกลับมาหาความรู้เมื่อมันทุกตรงกลับมาหาความรู้อย่างนี้แล้วว่าปฏิบัติคือกลับมากลับมากลับมาเมื่อมันคิดอ่ะก็เห็นบ่อยๆมันก็เกิดอยู่นี้นั่งอยู่นี้มีครบถ้วนสิ่งที่ทําให้เราเรียนรู้มาเองเป็นสิ่งงานของเราเอง ไม่ต้องมานั่งลอยๆไม่ใช่มีงานมันหลงไม่มีอะไรก็รู้ทำอย่างนี้เรียกว่ากับมาฐานจะทำไงถึงจะรู้สึกตัวนานๆต่อเนื่องยาวๆให้มันลากยังอย่างลากลงไปเหมือนหน่อพุทธความรู้เนี่ยเหมือนหน่อโพธิปลูกลงไปในกายอ่านกว้วสอกยาวาหนาคืบนนี่มีสัญญาจิตใจ มีทุกเกิดที่นี่ดับทุกที่นี่สิ่งที่ทําให้เกิดทุกมีที่นี่เหตุเกิดที่นี่จะดับเหตกุก็ดับที่นี่อถ้าจะอธิบายไปไม่ต้องอธิบายมันไปของมันเองเรารู้จุกตัวมันก็มันก็เป็นการเป็นการทํางานมันก็ไม่หลงอะไร ตัวหลงนี่เป็นงานของเรารู้ถึงตัวก็ทําให้ตัวหลงนั้นหมดไปเรื่อยๆร้อยไปเรื่อยๆไปจากว่าจิตไม่ชจัดบุคคลตัวตนเราขอที่เอาความคิดว่าเป็นตัวเป็นตนบางทีเราเอาความคิดเป็นตัวเป็นตนมันสุขก็ไปความคิดก็สุขพราะความคิดมันทุกข์พราความคิดก็ทุกข์พราความคิดมันจะเกิดพอใจไม่พอใจอะไร ที่เกิดจากคิจก็เป็นไปตามมันอย่าไปเป็นอย่างนั้นมันเสียเวลารู้มันใช่อย่าให้ข่ามันอันสก่อนทุกนั้นเป็นจักะวาเวทนาอันควรคิดก็เป็นจักรวาคิดไม่เชื่อจัตุกคนโตตนราเขาวางที่เราไม่ตัวไม่ตนไปในความคิดความคิดเฉยเฉก็เป็นตัวเป็นตนได้เป็นอุปทานเป็นพบเป็นชาติได้ เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นภพเป็นชาติในความสุขเป็นภพเป็นชาติในความทุกข์ภพชาติที่เกิดจากความคิดเนี่ยมันเป็นเปรตก็มีเป็นไอสุลกายก็มีเป็สัตว์ดาโลกก็มีเป็นเดรัจฉานก็มีเกิดดับเกิดดับในเรื่องความคิดนั่นเราจึงมาเห็นนัน ถ้าเราไม่ควบคุมกำเนิดของความคิดคือตัวหลงตัวเนี้ยมันก็คิดเลยไปไ ม, ม่จบไม่สิ้นเป็นวันต่าสงสอนเป็นภาระชิ้นเพลิงพลังงานไปกับความคิดมากที่สุดลอยเราจะมารู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยอย่าเข้าไปเป็นตัวเป็นตนในความคิดในความคิดมันก็กลายเป็นเรื่องหลายย่างได้เห็นมัน เรว่าเห็นต้นตอของรูปของนามผลที่สุดเมื่อเห็นอนัตตกายเห็นเวตาเห็นจิตเห็นธรรม บ, บ่อยมันไม่ใช่จะเห็นเป็นอันเดียวมก็มัน ก, มนก็มันก็บอกทั้งความเพ็จความจริงอันจริงที่มันเกิดอยู่เนี่ยมันเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมมันรู้ตั้งแต่วันนี้แล้ว เป็นรูปทำเป็นนามทำที่ ม, í, ม, มันทําดีมันทําชั่วมันเป็นรูปนามรูปนามมีกายมีใจเป็นรูปเป็นนามธรรมชาติของเขาแต่นามมาลูปเกิดจากรูปนามนี้เป็นสุขเป็นทุกข์เรียกว่านามมาลูปเป็นความโลภความโกรธความหลงเรียกว่านามมาลูปเป็นความรักความชังเรียกว่านามมาลูป เมืนเกิดตรงนี้อันตรายน้ำมารูปเดียวรูปน้ำมันเกิดครั้งเดียวอันนามารูปเกิดบ่อยอเป็นภาระตั้งขันที่เราไปยึดเอาในนาำมารูปนั้นเป็นภาระหนักความโกรธคนยึดเอาว่าเป็นตัวเป็นตนความทุกข์ความเลอะความจางยึดเอาว่าเป็นตัวเป็นตนหนัก ดังที่เราสวด <c oughs> สูตร <c oughs> การนัำห้ากานของหนักเน้อเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนั้นเป็นนามาลูกเป็นนามจนรูปก็เป็นรูปอยู่แล้วแต่รูปนามแล้วก็เป็นรูปฝันสัมผัสได้สัมผัสกับความสุขสัมผัสกับความทุกข์ มันเป็นรสชาติเจ็บปวดเหมือนกันอันลูกน้ํำนี่มันก็เจ็บเป็นโยงกับก็เจ็บเป็นอันนามาลูกเราก็เจ็บเหมือนกันเกิดทางตาก็เป็นลูกเจ็บปวดเพราะตาเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะตาเกิดทางหัวก็เจ็บปวดก็หู เสียงทำให้เจ็บปวดได้ทำให้ร้องไห้ได้ทำให้หัวเราะได้เจ็บปวดเหมือนกันน้ามารูปได้เคยมีไหมหัวเราะเพราะได้เห็นมีไหมร้องไห้เพราะได้เห็นมีไหมฮะมันก็มีอย่างนั้นเอ า, าน้มารูปเจ็บปวดมันเป็นการสัมผัสเป็นทุกขเวทนา เป็นสุขเวทนาได้เกิดจากลูกจากรสจากกลิ่นจากเสียงเป็นนามาลูกเก็บปวดเก็บปกปันฝฟยใหม่เจ็บใจปันฝ้าผ้าอันเก็บกายไม่ไม่มากดอกเพราะนั้นอย่าทำลายกันอย่าให้กันเก็บใจมาถูกคาดปีถูกคาดบางทีเราจะอธิบายว่า เอาค้อนเอามีดไปฟันไปฆ่ามันก็มีไม่มากดอกอันมาตุค่าปีตุค่าทำให่พ่อแม่เจ็บอกเจ็บใจนั่นแหละมันก็เป็นบาปไอ้ลูกคนใดเอาค้อนมาตีแม่ไม่เคยเจ็บเพราะลูกฆ่าลูกตีเจ็บเพราะลูกเป็นคนขี้ว่ามีไหมแม่เพียนนะแบงสุขเพราะลูกเป็นคนดีมีบ้างไหมนั่นแหละไว้ เจ็บตัวนี้มันก็เจ็บนะเจ็บปวดรังกันเจ็บปวดตรง น, ต น, นี้ไม่มีหายได้เจ็บไปถึงวันไม่มีลมหายใจแล้วล่ะอันเจ็บปวดของกายนี่ก็หายได้อาชัยหมออาชัยยุกสัยยาเจ็บใจตัวเนี้ยไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากปะทิบธรรมเนี่ยนี่บ่อนามาลูกมีไหมมันเกิดไหม เกิดความรักเกิดความชังเกิดความสุขความทุกข์เกิดความโลภความโกรธความหลงพอให้เราเป็นสุขควาทุกข์กความคิดนี่เดินนามารูปนะมันก็เห็นมันก็พังทลายถ้าเราเห็นนามรูปเลยเห็นรูปเห็นนามแต่ฉานเลยไอความไม่เที่ยงมีอยู่ในรูปในนามนี้นามารูปนี้ความโกรธมันก็ไม่เที่ยง บางทีไปยืดว่าเราโกรธปาลาฮาเวขันตั้งห้าความโกรธความทุกข์นเป็นของหนักไม่รู้จะวางระยืดเอาไว้ว่าเราทําตามความโกรธทาตามความรักทําตามความชังได้เห็นพบเป็นชาติได้ในความโกรธมันเที่ยงเมื่อไรเคยโกรธไหม เดี๋ยวนี้โกรธไหมมันไปไหนความโกรธอ่ะมันไม่ใช่ตัวใช่ตนมันเกิดมันดับตามเหตุตามปัจจัยถ้ามีสติมันก็ดับตัวนี้ได้เราวางลงแล้วพะนิจเจ้าสลัดทิ้งลงไปแล้วไม่เอามายึดอีกต่อไปแล้วมายึดเอามาอีกแล้ว ยระเจ้าสลัดทิ้งของหนักลงเสียแล้วต้องมายึดเอาของงานอื่นขึ้นมาอีกมันถึงแล้วซึ่งความชินไปแห่งการปรุงแต่งได้มันชินไปอย่างนี้ดับความโกรธได้ก็ความโกรธนี้ผ่านไปแล้วดับความทุกข์ได้ก็ความทุกข์นี้ผ่านไปแล้ว ระดบความหลงความวิตกก็ชั้าหมองน้อยก็อนั่นมันนิพพานไปแล้วนิพพานในที่นี้เอาวัตถุมาเป็นมาเป็นอ่การศึกษาลองดูก็ได้ข้าวนิพพานมันเย็นแล้วช่างมันดูลายมาฝึกจะมานิพพานมันหมดปรพยชน์ลน Multi แล้วคนนิพพานก็หมดพิษปลอดภัยแล้ว พระพุทธเจ้าได้นิพพานตั้งแต่อายุ36ปีนั่นนิพพานไปแล้วพระรหัตบางรูปตั้งแต่น้อยๆได้นิพพานไปแล้วอย่างพระวิมุตติคืออะไรใ <c oughs> <c oughs> น, นนิพพานถูกจนลักไปจะไปฆ่าบูชายัน จะไปลีดซับต้นขี้พระวิมุตติเนี่ยเวลาโจนลักพาไปไม่เคยสะทุกสะเถนมันก็ทำ้โจนแปลกใจจนเคยจับคนไปฆ่าไปพ้นไปขี้มามากมีแต่กลัวร้องห่มร้องห้อยขอร้องขอชีวิตไว้า <c oughs> แต่พระวิมุตติเนี่ย ไม่มีอะไรลายังเดินตามโจนสบายเออเลยยังไม่ถึงทำอะไรได้ถามว่าเออท่านเนี่ยเราเคยจับคนจับสัตว์มาประหารชีวเพื่อบูชายันจับโปนกับคนมาเพ่นมาข่าเรียกข่าไทยเขาก็เขาก็กลัวตายทำไมท่านยังอยู่เฉยๆไม่มีเดินเดือดร้อนอไหลมันอะไร พระอิมุตตินี em, Hello, Hello, ่ก็ขอพระยนะจําชื่อไม่ค่อยถูกมันความจํำมันหลงได้ไม่ใช่ความเห็นแช้งเหมือนสีเห็นสีเน้นธรรมน่ะการเห็นสีเน้นธรรมไม่ลืมไม่หลงเห็นลูกเห็นนามเนี่ยไม่มีเวลาหลงเห็นความทุกข์ความโกรธไม่หลงไม่เอาอีกแล้วเนี่ยไม่หลอกได้อีกแล้วแต่จําเนี่ยมันลืม ท่านก็พูดว่าไม่มีอะไรแ่ท่านโจรจะข่าเราเราก็ชะพยายามวางขันห้าจ่างมีสมัญญะเหมือนพ่วงเพรที่มันใช่ม ไ, ไ, ไม่ได้เราขึ้นฝั่งได้เราไม่ได้โจงไม่ได้เจ็บปวดไม่ได้เป็นทุกข์รวารอนเพราะจะถูกฆ่าถูกตายยังไงก็ไม่ว่าเราจึงไม่หวั่นไหว ล้วจะละสังขารรูปนามนี้อย่างงดงามไม่เดือดร้อนอะไรโจรได้ฟังนั่นก็สนใจให้ท่านแสดงทำให้ฟังส่วนที่สุดก็ปราบโจรได้มาถือบวชถือไหลกันตามตำราในพระสูตรน ะ, ะเป็นอย่างนี้เพราะนั้นเนี่ย มันจึงไม่มีคำว่าเกิดเจ็บจ็ตายเรื่องความสุขความทุกข์นี้สาหรับผู้วางลงแล้วต้องมายึดเอาของการดิง่งขึ้นมาอีกนอกจากรูปจากนาม <c oughs> ยังมีรสชาติหลายอย่างมายึดเอาอีกก็่าเนนทาเสริญก็มายึดอีกก็วางลงไปหมดเลยพังไปเลย กาทุกข์าเถื่อนไปถึงความโลภความขวดความหลงความรักความจองการควมกันแต่งคมกเนิดของความทุกข์ความเนิดของความเกิดในทางนามนามนามารูปได้ไม่มีรสชาติก็เห็นไปเห็นไปก็แยกไปก็จะเห็นกายสวกรค์กายเนี่ยแค่นี้ก็ไปไกลนะไม่ใช่ สะดุกคนตัวตนเราเขาเห็นเวทนามันก็แยกไปจากนี้มันก็ส่งไปไกลมันก็ไปถึงท้งหมดเลยทั้งหมดเหมือนกับเรากดรากต้นไม้หรืออะไรต่างๆแม้มันจะมีใบมีริงก้านสาขามากมันก็สามืดยุบลงไปได้แม้ยังไม่ หมดใบไม่ร่วงก็ยังมีลําต้นอยู่ก็มันก็หมดไปแล้วเก็มันมีต้นเหตุของมันเหตุระดับแล้วทุกสิ่งทุกกข์เกิดแต่เหตุจะดับก็ตัดพิเหตุเนี่ยมันเป็นอทฤษฎีของการตัดแลูกของพระพุทธเจ้าไม่ต้องมาเรียนลู่ทฤษฎีที่ไหนถ้าจะเป็นการ รู้แจ้งเรื่องการเรื่องใจเรียกว่าจบชีวิตเนี่ยมันก็เป็นชีวิตที่มาชะฐานถึงภาวะที่ไม่มีไม่เป็นอะไรไปนอนเนาะอยากจะพูดเรื่องนี้ให้มากภาวะไม่มีไม่เป็นอะไรกับอะไรที่อื่นเขาไม่ค่อยพูดการขอพูดเรื่องนี้ภาวะที่ไม่มีไม่เป็นอะไรเป็นสัตว่าสัตวว่า<ม>นี่ยไป ภาวะที่ไม่มีไม่เป็นอะไรมันอ่อนความอ่อนสามารถทําลายความแข็งได้เช่นน้าก็มาเจาะบาดาลให้เราเนี่ยมีจะหินเจาะลงไปให้บาดาลตรรมดาดไม่มีเครื่องเป็นสงล้านเหมือนกับเครื่องเจาะบาดาลเนี่ยมันเอาเห็นมาลง ออดลงไปสองวันสวันไม่ลงรอยเ้าก็ยกเลิกมันไม่กำลังไม่พอพอหน่วยเจ๊บบอดานกลุมทรัพกลุ่มวเจะให้ <c oughs> อาชัยอะไรละ่ะเรื่อนแข็งแกร่งไหนก็เห็นอาชัยน้ำได้ไหม <c oughs> สูบหน้าหมา ต, ตามำลงไปตามแบบก็เจ๊ทะลุความแข็งได้ กันความอ่อนเนี่ยควมไม่เป็นอะไรมันอ่อนเหมือต้นชายต้นโอ้เคยได้เรียนหนังสืออีศกไหมจะไม่เป็นเด็กนักเรียนต้นชายใหญ่โค่นลหลงายไหลไปตามแม่น้ําไปเกย อ, อยู่ฝั่งเมตตาโอ้เรียกต้นโอ้ไหมเออต้อนโอ้ไข้กับป่าพงนี่แหละ ต้นชายใหญ่เลยถามต้นอ้อท่านตะพัอยู่ได้เมื่อคืนนี่ลมแรงเจ้าเจ้าต้นใหญ่ครับนี่ยังยังลุ่มมาเลยโค่นลงมาไงท่านต้ น, นเล็กๆทำไมอยู่ได้ต้อนอ้อ ก, ก็บอกว่าเราไม่ทานลมมันก็ไม่เป็นไรนีะครับว่าไม่เป็นไรเนี่ยคือไม่ทานลมเรานืทาก็ไม่เป็นลาใช่ไหม เราสารเินก็ไม่เป็นลายได้ก็ไม่เป็นลายเสียก็ไม่เป็นลายเจ็บปวดไม่เป็นลายโศกทุกข์ไม่เป็นแล <c oughs> เนี่ยไม่มีไม่เป็นอะไรก็รมันลายมันอ่อนมันจึงไม่เจ็บปวดม <c oughs> ันเจาความแฉ่งได้ความแฉ่งคือสศกคือทุกข์อ่ะมันเอาให้คนเป็นไปกรรมมันได้มันบังคับได้ไหมมันโกรธจะไห น, น มันบังคับไปสุขไทุกข์นะมันแข็งมันมีอำนาจทุกข์ขีเวก็ยอมจํานวนมันแต่ไม่ภาวะที่ไม่มีไม่เป็นอะไรมันอ่อนถ้า่างว่าแข็งก็แข็งเหมือนเพชรเลยทีเดียวมีทั้งความอ่อนและที่มีทั้งความแข็งแข่งในความไม่มีไม่เป็นอะไรภาวะที่ไม่มีไม่เป็นอะไรมันทะลุทะลวงอันมืดทึบได้ ไม่เหมือนเอาเียงไหนทะลุทะลวงความมืดทึบได้เหมือนกับไม่มีไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยมันไม่ใช่เล็กน้อยจงเข้าให้ถึงวางตั้งแต่เห็นกายในกายนี้ไปเห็นเวทนาจากเวทนาไปเห็นจิตจากวิจิตไปเห็นธรรมจว่ธรรมไปอย่างเนี้ยมีหมายงานอันนี้มีหมายมีทุกคน มามีมาทำงานมาเึกตอนสอนตอนอย่างนี้เรียกว่าศึกษาถัดหลงให้มันย่อยออกมีสติลองวายเอาใจานี่เป็นตำลาเอาใจเป็นตาราให้มันจบลงที่นี่เมื่อจบลงที่นี่ก็เป็นมิตรภาพก็ไม่มีไม่เป็นอะไรเป็นมาตรฐานของทุกสิ่งทุกอย่าง เช่นมิตรภาพตนนทางถ้าเขาทำดีมันก็ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่สุดโสมเสียหายถ้าทำมาดีก็เสียหายไอคิดเราเนี่ถึงภาวะควมไม่มีไม่เป็นอะไรเป็นเป็นมาตรฐานนั่นเป็นมรรตะของชีวิตทุกชีวิตต้องทำให้ได้มันก็ไ่ยาก รามีได้ทันทีทำได้ทันทีไม่ต้องรอเราต้นจากเีความรู้สึกตัวนี่เรายนอะเรายินไหมไม่เคีดน้อยจำเยิงได้พูดให้สาวจีนฟัางไหมอ้าอ่อ า, ม า, าอมตราบพระพร้อมกัน